บทภาชี429กรรมที่ทำถูกต้องภิสูจน์สำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำถูกต้องไม่สละต้องอบัตสังฆาทิเศษกรรมที่ทำถูกต้องภิสูจไม่แน่ใจไม่สละต้องอบัตสังฆาทิเศษกรรมที่ทำถูกต้องภิกษุน์สำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำไม่ถูกต้องไม่สละต้องอบัตสังฆาทิเศษกรรมที่ทำไม่ถูกต้องภิกษุน์สำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำถูกต้องต้องอบัตทุกกฎ กรรมที่ทำไม่ถูกต้องภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัดทุกกฎกรรมที่ทำไม่ถูกต้องภิกษุสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำไม่ถูกต้องต้องอบัดทุกกฎ